ข้อหนึ่งเลยนะอาณาบัตว่าไม่จงใจไม่รู้ไม่ประสงค์จะให้ตายในสันจิตจาร ก, กษาบทที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์นะครับมีคมําอธิบายว่าอย่างไรจงบอกมาเนี่ยในนามบัตเขาจะมีบอกไม่จงใจข้อหนึ่งใช่ไหมไม่รู้ข้อหนึ่งไม่ประสงค์จะให้ตายะครับข้ อ, น, อ น, นี้ไม่เป็นอาบาตลองที่บาาแต่ละข้อเป็นอึ่งเช่นยกตัวอย่างก็ได้ พ่อเนี่ยทำไมบอกให้ถามข้อม่าจงใจไม่รู้ไม่ประสงค์ที้ตาคไม่จงใจที่จเหยียบไปเดินไปเดินจะเหยียบตายแดินไ่เหยียบตายครับข่าวที่เราเดินเหยียบมดตายใช่ไหมครับเราไม่รู้ไม่จงใจข่าวไม่รู้ครับไม่รู้ว่าในในน้ามีตับอยู่นม่รู้ในน้ำมีแนอยู่แล้วทํายังไงครับ รินก็มาดื่หรือว่าเปลนเออันนั้นเอีกข้อนึ่งไม่ใช่เหรออบริโภคน้นเม็ตัวสั่งนะอันนี้เกี่ยวกับค่าสันงใช่ไครับเราจะอยู่ข้อที่ะไม่ประสม้ันตายอันน้นอีกข้อนึงครับอันนอีก้อนอันนี้ยังไม่รู้ก่อนอันไม่รู้นะเดินไปเหยียบมือกันไม่รู้ว่ามีมั แต่ว่าของที่วิศว์มันแก่จะได้นะแกี่ดื่มน้ำแหละคือมันถ้าเราดื่วกาแมันต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราไม่เห็นไม่รู้เลยที่มันไอมันจะต่างกับที่เป็นเดินเหยื่อมดตายจริงไต่างไม่ได้ไงครับแค่แบบนี้เนี่ยไม่ต่างไม่ต่างกันเลยไม่ต่างคนที่งดเข้าอยึ่งตัวงดตัดตัดมาครับไม่รู้ว่าการทําอย่างนี้ จะเป็นเหตุให้สารน้นตายยกตัวอย่างครับไม่รู้ว่าทาอย่างนี้เราจะเป็นเอต้สารนั้นตายครับอาตับเขา ไ, ไ, ไ, <c oughs> ไปปล่อยอาตัเขาไปปล่อยในน้นะครับแล้วมันดำตายใช่ไหมนี่นะคะได้ไม่รู้เราไม่นรู้ว่าทำแล้วมันจะตายในที ม, นมันจะอยู่ในน้าได้ใช่ไมน้องไปเกะี่มยวในน้ำตายอะไรนครับน้ตายอ๋อไปเกาะี่เมียว ครับแต่อาจจะมีข้อนั้นนะไม่ประสงค์ใช่ตายนะครับครตาเกิดตาขึ้นมาคือแจประสมอย่างช่วยให้มันหลอดใช่ไหมนะครับแต่ยังมีดันตาขึ้นมานี่คืไม่ประสงค์ใช่ตายครับต้องครับตอนภูเขาสมัยก่อนก็เคยเห็นอยู่นะมันเดินมาตามร้างยาเงินหมุนนะครับเดินเข้มาทางภูเขานะครับช่วงนี้ไม่เห็นแล้วนะแต่เมื่อก่อนเห็นอยู่นะครับ เวลาเดินมันแปลนะมันจะยกกระดองขึ้นนะครับแล้วก็เดินไปมันจะไม่เหมือนเต่าทั่วไปนะครับเพราะมันก็ว่ายน้ำไม่ได้อันนี้ข้อนี้ถูกต้องนะครับพายข้อที่สองถามว่าพิสูจไม่ใช่วิกรจริตอมาแล้วนะมาไหมพิสูจน์ไม่ใช่ผู้วิกรจริต จงใจข่าสัน์มีชีวิตแต่ไม่ต้องแบบปังจิตติจงต่อบัญหานี่มาเนี่ยรู้เลยจงใจใเจตนาครับเป็นหมดแหลนะฟังให้ดีนะท <c oughs> ี่สูไม่ใช่ผู้พิจารจดจงใจข่าสัน์มีชีวิต แต่ไม่ต้องอ่านแบบปังจิตดี้ครับ จ, จองตอบปัญหานี้มาจองชอวาวบอกฆ่าไม่ตายจะฆ่าใครในชีวิตเนี่ยฆ้าไม่ตายก็ได้นะครับก็ได้นะแต่ว่ามันมีมีอะไรเยอกว่านี้ฆ้าไม่ตายก็ได้ถือว่าถุง ก, กันใช่ไหมเพราะคนนี้ต้องตายด้วยนะครับเอาสูว่าฆ่าาจนตายเลยอันนี้ฆ่าจะตายเลยนะแต่ไม่ต้องอแบบปจตดี ทำให้ฆ่าอย่างแต่เด็กฆ่าอย่างอืมครับอันนี้ก็โดนการที่กามีฆ่าเองฆ่าเองเลฆ่าเองเลยรู้ท่องรู้ว่าจงใจฆ่าเองในลักษณนั้นตายตกที่ห้าอกช่องมันใหญ่มีตาบันใหด้วยครับตกใจหรือเปล่าลันมาตกใจเปรียบคาอันนี้จ้าันนี้จงใจตั้งใจในรองนี้ตั้งฆ่าเลยเป็นการรักษา ข้ับจิตญาถ่ายพยาธิเนี่ยรู้ว่าถ้าจงใจจะฆ่าก็ไม่ไม่พอ น, นั่นนะครับเขาเขาไปกินกินเพื่อเพื่อรักษาตัวเองจากป่วย เ, เนี่ยแต่นี่เขาเขาไม่ได้หนนะเขาจงใจฆ่าเลยไม่ต้องตีแล้วอน้งอย่างอื่นได้ออไดบอกอาไม่ต้องไปอีตีอย่างเีง้นี่แหละฟังให้ดีอีกข้อน พิสุไม่ใช่ผู้วิกลจริตตรงใจค่าสัว์มีชีวิตแต่ไม่ต้องบัดปาากิตเนี่ย้าไ่ีเอ้อะไรางแล้วแต <c oughs> ขออ่ข้ามนุษย์เออใช่ครั้ามนุษย์ไงเราแม้เขาบอข่ขาสว์มีชีวิตไม่ได้บอกว่าผมแพ้ใ่พิสุข้ามนุษย์นะครับไม่ต้องปลากตีใช่ไหมต้องอะไรช้อน ปลาชิกหนึ่งนะครับ<อ>ข้ามนุษย์หรือว่าข้ามมนุษย์เขาก็เป็นสังกันนะ <c oughs> ไมเ้าก็เป็นชาตรีเป็นท่านอื่นผมไม่ได้เป็นไปบนหน้าเช้าไปได้คำสาที่สู่รือฟื้นอธิกรณ์ครับ รื้ฝฟื้นกันนะคือที่ก่อนที่เป็นธรรมแต่ไม่ต้องอแบบบางจิตตีอัี่เป็นอย่างไรจงอาที่บายมาไอ้ที่ก่อนเป็นธรรมนะถ้าระงัเรียบน้อยแล้วท่านก็ไปรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ครับแต่ไม่ต้องเอาแบบนะเนี่ยจงอาที่บางมาไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าที่ก่อนเป็นธรรมไม่รู้ว่าที่ก่อน้เป็นธรรมเข้าใจว่า ไม่เป็นธรรมนะถูกต้องนะบันนี้นถึงแม้กรรมนั้นเป็นธรรมใช่ไหมแต่ถ้านเข้าใจว่าไม่เป็นธรรมไปรื้อฟก็ไม่ต้องอานบัตรข้อต่อไปนะครับการปกปิดอานบัตรชั่วยาของที่สุตอื่ น, นะคะับท <c oughs> ี่สูตผู้ปกปิดจะต้องอาบัตรตอนไหนเร <c oughs> าตเขทอมาบอกแล้วตั้งใจมันจะมาอีกไปหร อ, หรอ <c oughs> ื่นาตั้งใจว่าจะไม่บอกลูกอื่นใช่ไครับ ถูกต้องครับเขาเรียกว่าพอทุนะทำอะไรพอทุนาคือตั้งเจวาจะไม่บอกลบอื่นก็ต้องอบัตรนั้นหนอยนะครับถต้องครับสิ่ง้าบเกี่ยวกับการปิดอาบัตชั่วยามีอาณาบัตว่าอย่างไรบ้างมันมีอนณาบัตแน่เนี่ยจงบอกมาตามความสามารถของตนครับเพราว่าบางทีเราถึงเราไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ไปบอกใครเนี่ยแต่เราก็ไม่ต้องอานบัตรก็ได้เนี่ยเพราะมีอนณาบัตอยู่ นาาอนาค่อะไรบ้างการชมบอกมามเท่าที่ว่าได้นะขเขาจะปลาคนละกับเขาเองนะครับได้อย่างนี้นครับไม่อย่างนั้นา็ว่าถ้าบอกไปเราทุกคนจะแตกแย้ครับโอ้ได้นะขอ้อหนึ่งข้อสองข้วสในสองข้อนะ กลัวเขาจะทำร้ายได้อีกข้อนึงพี่สิดพูดเปู้ดุร้ายใช่ไหมเขาจะมาทำา้ายนะครับต่อชีวิตของามือนในี้ได้ครับอะไรไห ม, ไไหมน่าจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกข้อนะเดี๋พูดข้อนะได้อีกข้อนะ ได้เลยในข้อนี้ไอ้นี่ก่อนจะได็ดไม่ต้องอารู้กันอยูน่ น, ขนะข้าถูกต้องคราบนี่แหละมีที่สูบผู้สมควรที่จะบอกใช่ไหมมีแต่พวกที่อะไรพอมที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับต้องนะครับต่อไปถามอยู่ในข้อนี้นะข้อปิดานแบบช่วยยากินท่า น, นบอกว่าที่สูตรูปที่หนึ่งต้องอาร์บัตใช่ครับ งานิเศษนี่นะบอกแก่พิสุรูปที่สองรูปที่สองให้ปกปิดให้นะครับรูปที่สองก็จะบอกรูปที่สามให้ช่อยปกปิดให้รูปที่สามกลับมาบอกแก่พิสุรูปที่สองอีกถ้าบอกว่าที่สุดจึงเป็นอันขาดลงคือได้มีการบอกต่อให้ปิดก็เป็นต่ออันอันแล้วที่สุดจะเป็นอนขาดลงเพราะอะไรโจรบอกมาเพราะอะไรที่สุดจึงขาดลง เมื่อลูกที่สองกลับมาบอกแล้วเมื่อลูกที่สามกลับมาบอกลูกที่สองนะครับห้อยอะไรเพราะลูกที่สองรู้อยู่แล้วยังยังโอ้แล้วข้อต่อไปมีข้อต่อไปข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นเสถามูลจะนะบปัญหาหลายข้อวันนี้มีข้อนะครับ <c oughs> ปัญหาเงาที่มีข้ออันนี้ยังไม่ใช่ทิศฐามนนมันต้องเมื่อกุลยังไม่ใช่สักข้อนะนึกออกไหม่รับทำไมาจึงบอกว่าที่สุดจึงเป็นอันฐานออกที่หลังจะได้แม่นแรงความจริงน่าจับคาถามเนี่ยรวบรุมคําถามนะแล้วก็ไปทบทวนน่าจะดีนะคเพราะมันมีเกแค่สโรดหรือล่า มันมีแก่สามลูกม่ใช่ที่สามลูกลุยลยบอกไอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าถ้า ย, ยังไม่ขาดใช่ไหมแต่บอกลูกที่สี่ปิดลูกที่ห้าถึงเป็นร้อยลูกบอันเขาช่วยปิดให้นะพราะนั้นก็าคิดว่าจะช่วยปิดให้ก็ตอ้องแบบทั้งนั้นใช่ไหมแต่อันนี้บอกทว่าถึงแค่รูปนี้แหละกำลบบังบอกลูกที่ส อ, องก้มเนี่ยอันนี้ก็ขาดลงแล้วใช่ไหมเป็นหกปิดนะต่อไป นี่ก็อย่ากนะประเด็นนี้เวลาเฉลยให้เลยนะครับคาที่บายอยู่ในดีการเบอกว่าเพราะอะครับเพราะไม่มีอาบัต ท, ที่รูปที่สองจะต้องอีกเพราะไม่มีอาบาัตอ่าอะไรนะรูปที่สองจะต้องอีกเพราะแกต้องไปอีกดตีไปแล้วใช่ไหมรูปหนึ่งมาบอกให้แกชื่อปกปิดให้นะไอ้ก็ปกปิดให้ใช่ไหมครับแล้วแกก็เลยบอกรูปที่สามช่อปกปิด่ห้แกก็ต้องไปอีกดีแล้วใช่ไหม บอกพี่สามปกปิดให้พี่สากปกิดให้ก็ต้องไปอีกีแล้วกลับมาบอกแกอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกลับมาบอกแกเนี่ยแกมันมีไปอีกทีจะต้องซ้หมาอีกครับเพราะแกต้องเพาปกิดตอนแรกนะครับเพราะราการปกปิดมก็เลยขาลงแค่นี้แหละนะครับถ้าตนที่สอีกาดหมครับไม่ใหม่แล้วใหม่แลไม่คพิ่ี่งไม่ต้องักแล้วใช่ไม่ต้องแะเพราะว่าเต้องทีเดียวรือต้องทีเดียว เพาะฉะนั้นไม่ใช่ถามว่าทำไมที่ถึงจะเป็นฉาลงต่อไปนะครับเนี่ยข้อนี้เสียท่าโมจินักภาษานะกี่ยวกับบคนที่มีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีอันนี้พูดถึงครอบนะครับตัวนี้นะถามว่าอันนี้รล่าออกมาเลยครับทั้งสองมีอายุครบยี่สิบปีทั้งสองมีประชาคนเดียวกันมีอาจารย์คนเดียวกั น, าา น, วกนบวกพร้อมกันเลยนะครับง่ายๆอย่างนะีะอายุครบยี่สิบนะครับ วิชาขององเดียวการอาจารย์ขององเดียวการบวชพร้อมกันด้วยนะรูปหนึ่งเป็นประสัมบัญคือบวชขึ้นเป็นพระนะครับรูปหนึ่งไปอนงประสัมบัญบวไม่ขึ้นยังเป็นแน่นอยู่ปัญหาข้อนี้ท่านวิชชาท่านหาให้คิดกันแล้วนะครับแก่เพราะบวชพร้อมกันเนี่ยถ้าไม่ถูกรูปนั้นก็ไม่ก็ต้องไม่ขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้ขึ้นรูปหนึ่งไม่ขึ้นรูปหนึ่งครับเป็นบันดอกหรืครับ ถ plate, humans, vemos, <tens> <laughs> well. ้ามบอกก็ได้นะถ้าต่อนั่นก็ได้คเพราะรูปนเป็นมันดอกไงแกมีกระเทยใช่ไหมถึงจะให้เขาพี่ซื <est> ้อตีนะแต่กระเทยแบบผมไม่ขึ้นนะแกก็เลยปวดไม่ขึ้นนะครับอะไรนะก็ได้นะได้าอางแต่ว่าถ้าในปัญหาเฉลยที่ท่านบอกว่าเพราะว่ารูปนั้นน่ะแกห่ออยู่กลางอากาศแม่นั่งอยู่บนพื้นเมื่อห่ออยู่กลางอากาศปุ๊กนะแม่ แม้ไม่สูงมากนะครับรอต้องการอากาศดีนะไม่ไม่เชื่ออยู่ในสีมานะครับพราสีมาจะมีการขึ้นบนบนฟ้านะสีมามีแต่อย่างองสู่แผ่นดินนะครับถึงน้ำรองแผ่นดินเนะนี่น้ใครนะถ้าบัวแล้วขอต้องการอากาศนี้จะถือว่าไม่ได้อยู่ใสีมาบวชไม่ขึ้นนะครับอีรูปหนึ่งก็น่าต้องเพืออีรูปหนึ่งก็น่าต้องการอากาศใช่ไหมครับก็เลยบวชไม่ขึ้น <c oughs> เฮ้เราตอบเมื่อที้ก็ได้นะ ก็ด้านกันครับเพราะนั้นเป็นบรรดาวุฒิฐานวิยกรรมเ่าฟังนะครับถามว่าบุคคลผู้ประสมบทไม่ขึ้นนั้นนะครับอันนี้พูดถึงคนที่มีอายุไม่ครบยี่สิบปีใช่ั้ยเขาบวดให้นะครับแล้วทักเกอก็บวไม่ขึ้นนะบุคคลผู้ประสมบทไม่ขึ้นนั้นอยู่เป็นท่าไดสิทธิรรษา จะไม่เป็นอุปสรรคครับอุปสงค์บทให้บุคคลอื่นนะครับบุคคลอื่ น, นั้นเป็นปอุปสงค์บทหรือไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ลองที่บ้านมาล อ, อ, อง บวชขึ้นเะว่ามันครบองค์คณะให้รเรียนรู้ประชาระดแต่ว่าวเราไปสู่ที่เราไปบวชนะมันเยอะไรอกว่ามันครบที่สุที่ต้องบวชพระเพอได้โดยที่ไม่นับท่านใช่ัหมไม่นับประชารุที่เหลือก็ยังครบคณะใช่ไหมครับก็เลยอันนี้บวชขึ้นนะครับถ้าบวชไม่ขึ้นล่ะบวชไม่ขึ้นคือไม่นับ ที่เ ห, L เหลือ ไ, ไม่ครบ น, นะครนะับก็้หมดไม่ขึ้นครับตั้งครับตังต้องอีกเรียนเศรษฐีนะครับต่อไปนะครับสิขาบทข้อช่างชวนเดินทางไปกับพวกพ่อค้าผู้เป็นโจร <ๆ S 1> มีสมุดฐานอะไรบ้างจงอธิบายมานี่ถามสมมุดฐานแล้วโน้ตถึงช่างชวน ม, นมันจะต้องใช้อะไรมั่งนะแล้วมันต้อง ข้อนี้ต้องมีจิตด้วยป่าต้องรู้ให้ ด, ดีนะครับถ้าชวนเดินทางไกลกับพวกเข้าเป็นโจรนะการวางจิตการวางจิตพาวถูกต้องนะครับต้องมีกิตแน่นอนเพราะว่าพูพนี้บอกว่าต้องรู้ทั้งรู้ใช่ไหมครับว่ามันโจรนะครพ่อเข้ามันโจรนะกายก็ชวน ด, ด้วยกายไปด้วยกายใช่ไหมครับด้วยกันนะว่าจาเฉยเฉยนี่ไม่มีค่ะ <c oughs> <c oughs> วัจัยจะเสียไม่มีก็ไม่มีพรามันต้องมีกายเดินทางไปด้วยกันที่ว่ากายไป้กันากายจิตกายวิจารจิตนะครับอืมครับอ๋อชนดิดกายเข า, าได้ด้วยวัจากเขาได้แต่เดินทางไปด้วยกายนะครับพอจิตรู้เมื่อรู้ต้องกับต่อไปจงบอกอาณาบัตของสิกขาบทข้อชักชวนเดินทางไกลกมาตุคามามีอานาบานัต มีใครดืขึ้นอย่าตนมีใครเดือดขึ้นอย่งตนมเดือน่านนะครับท้าหน้าทําเมียนทลาหน้าไห่ายเลยนะพี่สุบ้านท้าหน้าอยู่นะข้อนี้ยังไงก็กินกิน้าชวนเองใชครับเขาชวนเองผู้หญิงเป็นผู้ชวนฝ่ายเดียวใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วอะไรครับ อยังไม่ถึงเข็มเมอือนขอที่สองเอาว่าเรีย ถ, <c oughs> ถึงหมดแล้วนะครับแล้วมาถึงหมดแล้วแต่ว่าไม่ตงับงครับเรายะะังมีข้อนะคะรือข้อผิดเวลาผิดเวลาผิดเวลาที่นั่งนะคะับมันผิดวันหรือผิดเวลาต้องนะครับสองคนนะครับหนึ่งชอ้อหบางอันนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมที่ว่า รู้ทั้งรู้ป็ะสบบทคนที่มีอายุ 20-25 ปีนะใครต้องไปอีกตีนะรู้ไครับใครต้องไปอีกตีครับสุภาพชาถ้าที่เดืต อ, อต้องทำต้องต่อไปนนครับถามว่าโอ้ดีอัน น, น, นี้น่าสนอะไรท่านนีอ้ <c oughs> อัตรากิกะธรรมมีห้าอย่างอไรบ้างนะครับจงอธิบายมา ในความันาารารตกคเขาจะเรียกว่าอะไรครับผู้ที่ทาใริยกรรมครับถ <c oughs> ูกนะครับเขาเยว่ากากรรมตาลาครับกรรมตาลายนะครับน่นทำตีกรรมต้อดมีปามีปากรรตาายใช่ครับอาหัวข้อกแล้วกันแล้วอธิบายให้ครบห้าข้อกั กิเลสกิเลสสันตรายครับกิเลสันตราข้อแรกครับอีกสองข้ออีกสอ ง, น, งนึกถึงที่เก็บกับ อ, อันบรตายอันตรายอนตรายเคาาเรียกว่าอะไรนะมันเขาเรียกว่าอานาบิดกัมมตรายอันตรา ย, รายคือคืออะไรครับการล่วมละเมิดของบัญญัางนะครับแล้วก็อีกข้อนร่ง้าเนี่ย ใครครับปิดอัจฉริยะอ๋อครับครับว่าราไครับอริยะอันนี้อยู่ประวานทันตรายใช่ไหมเขาเรีาเอุปวานทันตราลยเงครับทีนี้น่ามาเ่้าหาอธิบายแล้วอ่กก่เลสันตรายอันตรายคือกิเลสได้แก่อะไรครับปิดปิดิดฉิายสาปกัิบหายสประกันนะครับทีะไรนะไม่เชื่อกมของกำท่านไหครับไม่เชื่อเหตุผลนะ ที่สองกรัมรมันตาลัยคือนันตยกรรมนังติยกรรมครับอันที่สามวิปันตกาลัยครับเลยฉาอะไรอุ้ยเปรย์เปรสันโรอ๋อครอบเลยอาบายยุบุซีอาบายยุบุซแล้วก็อะไร<า>อีนนกครับมนุษย์นี่เป็นได้ไหมมนุษย์เป็นได้ไห <laughs> องหมดอันนี้อะไรที่นี้อะไรอธิษฐานปฏิสนธิอะไรบ้านชรอธิษานปฏิสนธินะพวกไหนจะจริมลักษณะเป็นยังไงพวกอาิษฐานเพราะเอปัญญาอ่อนใช่ไหมพู้อ่อนไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็พวกนไหนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่บันดอลไม่บันดามันดาลด้วยนะครับ เขารียกว่าอาเหสิกาปฏิสนธิใช่ไหมคุณนั้นนะครับก็อบ า, ายาภูมิแล้วก็พวกบันดอกนะครับแล้วก็พวกเออญญาอ่อนนะคุนั้นนะครับอันนี้เขาวิปากกันตาลามิปันตาลัยคืออะไรนะปฏิสนธิจิตของเราเป็นวิบากจิต น, นะเป็นอุเบกขาสันติรณะนะครับสร้างกําลังนะอันนี้แล้วก็อะไรนะอุปวาวะทำตาายว่าไปแล้วใช่ไหมครับอันตรายคือาการว่าลายผาลีเจ้า แล้วก็อนาบิด uh, ิตกรรมนอันตรายอันตรายคือการจงใจล่วงละเมิดข้อบัญญัติหรือข้ไบนีบัญญัติมีห้าอย่างด้วยกันนะครับทีนี้ถามว่าข้อแรกกิเลสอันตรายอ่ะเป็นอันตรายต่อสวรรค์แล้วก็มรรคท่างสองอย่างหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างเดียวกิเลสทั้งสองเลยกรรมอันตรายนะเกียา์กั้นเกียร์การแ่ทําตริยกรรมนะ ทั <s <S ้งสองอย่างเลยนะครับแล้วมีทางกันตาลายเห็นกับดีเห็นที่งนมั่งอย่างเดียวครับปุะวาทันตาลายวาลายข้ยะทั้งสองอย่างครับแล้วงานมีติดกรมตาเรืองเมื่อข้อบัญญัติครับทั้งสองอย่างเลยนะครับนี่ถูกต้องนะครับ ใช่ใช่ใช่ต่ว่าไม่ห้าสว่างแล้วเพราะนี้ท่านก็ไม่ไปอบายใ้หลวงใช่ไห ม, มและก็กำรมตันรายสุดท่านจะเอาอะไรนะคที่ขมขืนพิษุนีด้วยใช่ไหมเราเนี่ย น, นะถือว่ากรนะักต้องนะครับแต่นอันตรายห้าอย่างเนี่ยจำไม่ได้ดีต่อไปนะครับเอาละถ้าอาริษาน่ะมีความเห็นผิดว่าอย่างว่าจงบอกมานในสิขาของนั้นที่เราเรียนวันนั้นนะครับ เราเห็นนุ่นกับผู้หญีงไม่ต่างกันเราอธิบายขยาความไม่เยอะกว่านี้เหรอจะเห็นผิดว่ามีไงเราหนูุนกพผู้หญิงไม่ต่างแต่แล้วเป็นยางไงครับมีโทษจับต้องได้อะไรอืมีโทษจับต้องได้ใช่ไหมอไปเสเมย์ถุนด้วยก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมแค่ไหนว่าเป็นขั้นฐานใช่ไหม เป็นอนาถาอนาถาปฏิการเศรษฐีหรือว่นานางน้สาขาผู้ยังบรรลุ ก, กันได้มีนุูงมีเมียมีนายมีข้มันรู้กันได้พอหน้าการมีอะไรกับผู้หญิงไม่มีโทษหรอกใช่ไหมนะครับทําประลาซีโคหนึ่งไม่มีท่อหรอกเขาต้องทมาเนี่ยนะเนะนี่ยมีความเห็นผิดอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับถามคนนี้อาจจะไม่คุ้นนะให้จําไว้นะครับพิสุนมีลักษณะอย่างไรบ้าง ที่สอจะลงเขปนิยกรรมคือการ ย, ยกออกจากคณะได้นะครับต้องลักษณะแบบนีบนาานะ้จะมีสามอย่างนะแบบแดนแบบหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่มิฉาทิถีนี่ก็อย่างของผ้าทธิษฐานอย่างนี้นะหนึ่งเป็นมิฉาทิถีนะคนระับอันยี้อังนี้อย่าง้อันนี้ก็อยู่ในมิฉาทิถีนะนะ่ย ว่ายากก็ยังไม่ใช่เขาไม่เห็นอาบัตนะครับไม่ทำํำผิดอาบัตนะครับสาพ่อนะครับม <c oughs> ี่คือไม่เห็นอาบัตก่อนก็คือไม่ยอมรับผิดว่าการทำอย่านั้นเป็นอาบัตนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ทำผิด อ, อาบาัตทีงว่าต้องแล้วก็ไม่ยอมปกยอมทำผิดนะครับแล้วก็เป็นมิจฉาทิถนะีนะครับมิจฉาทิถีนะอต่างทางอีกการทิถีก็คือพวกอะไรนะ บูเชนที่มีิที่ที่ทั้งหนคต่อไปนะครับและพิสุที่ถูกสงลงเตปปณยกรรมแล้วพิสุอื่นไปทาอะไรร่วมกับท่านบ้านที่ทาไม่ต้องบาตบาลสิตติสิกขาบนะ้านใช่ไหมไปทาอะไรร่วมกับท่านนถึงต้องไปจิปตตครับเอาอย่างนี้นะไปนั่งชนะอาหารร่วมกับท่านเนี่ยฟ้าหลังนี้อย่างถ้าตามสิกขาบอกนี่นะ ยามต้องได้ยังไงก็นั่งร้องวงรวมพูกมาสวรรค์สังทารใช่ไหมล้วก็นั่งค้ร้องวงฉันกันถายไทยถ่ายมันต่างกันก็ฉันไปไปตอนไปสอนนะครับไปสอนไปเรียนนะครับลอง้งพู่ให้แบบมันคงที่นะเขาจะเรียกว่าอย่างไงอยู่ร่วมอะอยู่ร่วมน้องแค่ไหน อาียิยบไหม น, นอนเขาช่วยียิยาบทนอนเยบทสีไม่ได้นะครับนอนร่วมชายคาเดียกันนะครับนี่ข้อนึ่งแล้วเมื่อใดทีนีน่นนสอนทันเรียมทมเนี่ยเขาจะเรียบบางนะครับเหมือนกับอรักีนาา่ยเขาเรียกวานะ่าอะไรเนี่ยไไนนะที่เราไปร่วมอารักีนะที่เราต้องทำบัตรทุกกนครับทำมัานบริภ่อนะครั บ, บร น, ะะนี้ทำมัานบริภ่อในอ่านอันนี้หนัง น, นะ แล้วสอนเขาก็ไม่ได้เนียนทำอย่างเขาไม่ได้ครับต้องแบบไปยีทีทั้งนั้นเลยนี่คือขั้นไปยีตีเลยวนะเพราะเขาถูกโยงว่างแล้วนะครับเนี่ยเราจะไปสอนเ้าก็ไม่ได้ทํายนทำาไม่ได้เองไปยีตีธรรมะบริพร่ออะอะไรบริพ่ออีกอะมินบริพนะครับอันมินบริพกก็คือนะให้สิ่ของครับให้สิ่งขอ ง, ของหรือว่ารับสิ่งของเขาครับต้อ ง, งนะครับแล้วก็ถ้าธรรมะบริพร่อไม่ได้เยอะใช่ไหม เกี่ยวกการอะไรนะไปร่วมศาสากรรมดใมครับ huh. uh ี่ใรัก็อนัเกิแกไปไปทอาบัติไปร่วมเื่อะในอย่างอื่ได้ที่มนึามันจะไ่อยทางบอกนะอไรม่ได้ปล่อยทิ้งเลยนีนะปล่อย สองเลยไอ้สองไม่ได้นะหรือว่าไปข่มนะครับมันสาต้องประชุมสองนะปรชุมสองทีน ะ, ะต่อไปสี่ข้สุดท้ายนะครับการลงธนาการมสามเณรในการประกาศศึกขาบทเป็นอย่างไรจงบอกมาทื่ว่าสามเณรการจัดกาศเป็นมิจฉาทิฏฐิคล้ายๆกับภาคอริธาแล้วมือสมก็ลงธนาการมแก่นะครับ การลงธุ ร, รกรรมที่นั้นเป็นยังไงครับกา่างแตรกรรมในธรรมดาไหมคร่าให้ขนน้ำขนทายหรือว่าทำยังไงครับถือกระถางใส่กระถือเลยครับเอาแค่ไหนครับไร่แบบนะี้ข้าวไล่แบบไม่ให้น้องร่วมด้วยใช่ไหมครับอันนีข้าจะมีขั้นตอนยังไงครับ <c oughs> ได้ได้ไ ด, ไดขั้นตอนก็จะมีการประหลงอะไรใช่ไหมครับพระสงฆ์ก็จะประหลงแล้ะก็ประหลงเพื่อเนี่ยลงกิจกรรมสมเด็จนะครับไม่ให้นอนรวมด้วยน ะ, ะไล่ไปไม่ให้นอนรวมด้วยครับครับก็ถูกต้องนะครับนี้จบนะเ น, นี่ยไม่ยากนะสุภัสสกาวัชจะไม่ดีก็แล้วแต่ข้อไหนติดนะข้อทีนน่สอง้วข้ออะไรนะจงใจ ข้าศากมีชีวิตแต่นี่ไม่อยากปาถาาชาวเฉยๆครับปัญหาที่หมู ง, งบ้าจะเอาไปขอตอนตอนเราเลือกเง อ, องพร้ อ, อมจะ<อ>ไปประมวทเป็นเล่นไปหน้าเราไปถ่ายเอกสาร น, นั่เขียนไวหมดแบ้ว น, นี้ก็จบแล้ ว, วนีก็จบมาสอนนี่นะ